สิ่งที่เธอเข้าใจสิ่งที่เธอได้ฟังเรื่องราวของฉันที่เธอมีเรื่องราวหลายอยางที่เธอคิดว่าดีมันไม่จริงอย่างที่เข้าใจสิ่งที่ฉัน I'm not a j u m p a n